ในพุทธศาสนานี่มีขอบเขตทานสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ทานจิตให้เป็นโทษนั้นยังฐานถูกในพุทธศาสนาสิ่งที่เป็นคุณไม่ประโยชน์แก่ผูดด้ที่รักเรียกว่าทานเป็นประโยชน์ทานอีกอย่างหนึ่ง ทานนะั่นคือหมายความถึงทานเนะวัตถุจากขะสระให้เป็นให้เป็นทานอันนั้นไม่มีไม่มีวัตถุทานนี่ต้องมีวัตถุสิ่งของหนึ่งและก็มีผู้รับเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งเป็นบุคคลเนื้อวัตถุหรือสิ่งอะไรก็ตามถึงผู้รับต้องมีวัตถุ ผุทานต้องมีวัตถุผู้รับก็ต้องมีมีตนมีตัวอันจึงเรียกว่าทานนะั่นแะทานนี่เป็นทูตสำหรับส่งผลบุญกุศลให้แก่คนที่ร่วงลับไปแล้วดีนะนอกจากทานไม่มีสิ่งใดที่จะส่งให้ถึงผู้ตายได้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วมีทานเท่านั้น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 ศาสนานี้ยหมดเท่า น, นั้นนี่ยังให้คิดให้พิจารณาถึงเรื่องทำทานรู้จักทานแต่ไม่รู้จักทำทานอันนี้พูดมากมันก็ยืดยาวให้พิจารณาเอาถึงเรื่องทานนี่เป็นขั้นต้นถ้าหากจะประพึ่งปฏิบัติศาสนานต้องขึ้นขั้นนี้ก่อน ถ้ามีทานจะแล้วมดฐานตอไปก็ไม่ได้ทานนั้นเป็นเครื่องบำรุงจิตใจคลองเราให้พองใสค่อยกระเถาบขึ้นไปโดยลำดับที่จะรักษาสินต้องมีทานเป็นพื้นใก่อนทานไม่ต้องทำแล้วมีแต่เอาได้รักษาสินก็แล้วกันหรือสินก็ไม่ต้องรักษา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 ละขอพระพาต้องให้สิน้นตามธงุดปัญญาติท่านไม่ได้ให้ไม่ได้อื่นท่านเป็นได้เพียงสักขีพยานเพื่อไม่ให้เราพอพิร่่งละมิดคึกเกรงกลัวทำอไเกรงกลัวใจท่านเกรงกลัวท่านเป็นสักขีพยานให้เมให้เท่านั้น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 เป็นข้อคอไม่มีไปรักษารักษาศีลไปสมทานศีลที่วัดพร้อมเพียงอดิบดีแต่กลับบ้านแล้วหายหมดศีลไม่มีเลยไปเพียงแค่ตัววัดก็ ก, ก, กลับคืนมามดศีลหรือพังเทียนลุกขนนอนพลั่วลงช้ำศีลเลยไม่ไปกับโยมเลย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 คำว่าสินรักษาตัวก็คือมันชำนี้ชำนานคล่องจ่อบากกวามต่างๆเราไม่สามารถจะร่วงละเมิดได้เพราะเห็นที่จะสติจะต้องฆ่ามันก็คืดเอ็นดูแล้วเห็นจริงของก็จะต้องรักต้องโมวยก็มันเกิดเมืตายาดูแค่คนนั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเรียกว่าสินรักษาเรา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 นี่แหละจึงว่ารักษาสินแท้ไม่ใช่ว่ารักษาสินเมื่อไหไรก็ได้เราอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่ยแหละรักษาเพื่ออะไรก็ได้จริงแต่มันไม่รักษาสักทีนั่นทีมันยังละเลืองมาจนฝ่านี้แต่มาจึงบอกว่าย่ารักษาสิ้นห้าให้รักษาสิ้นตัวเดียว ชิ้นตัวเดียวมันรักษากันจริงๆกันจังอย่างค่าสัตย์ที่เรางดเว้นเด็ดขาดให้รักษาจริงๆกังจังอย่าไปรักษาวันสองวันเท่านั้นรักษาเป็นปีปีสมมติว่าค่าสัตว์หลักข้อข้อหนึ่งอะรักษาให้ได้ อย่างน้อยตั้งหกเดือนลึกไปีนหนึ่งให้มันชำนีชำนาญีปก่อนเอาจนศีนลรักษาตัวเองอย่างที่ว่านี่แหละรักษาตัวของเราอย่างที่ว่านี่แล้เนี่ยต่อไปค่อยรักษาข้อที่สองคือรักทรัพย์อันนั้นถ้าหากว่ามันรักษาไม่ได้ก็ต้องรักษาตั้งเป็น ีนะเป็นเดือนในปีคนนะ่ะทำมันจำนี้ชำนานจริงๆอาจะมาบอกว่ารักษาสินง่ายนิดเดียวรักษาสินสองข้อตั่เนี้ยลองดูงั้นข้อบนนั้นกลับมารักษาง่ายมดุดไม่ยากเลยคือเมื่อเกิดเมตตาเกิดสงสารเกิดอินดูแกหมูสัตว์แกมนุษย์ทั้งปวงมั เห็น อ, อกเขา อ, อกเราใจเขาใจเรามันถักสินมารวมเองกมามาอยู่ในตินเองดอกอันนี้เมื่อรักษาสินเราเราจะมองเห็นเนี่ยคะนี่ความชั่วของเราหายไปหมดไปเลยความชั่วหมดไปมันนั่นแหละมันจะชอบใจในการรักษาจินยินดีพอใจในการรักษาจิน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 อ่านละอธิบายทนี้เราจงตั้งใจให้ตั้งจิตใจจริงๆจังพอเวลานี้เราจะทำภาวนาสมาธิละสิ่งทั้งหลายที่กังวลเกี่ยวข้องโผพันอยู่ใน ใ, นใจของเราซ ะ, ละปล่อยวางเหมือนมดไม่ใช่ปล่อยมดหรอกปล่อยเดียเด๋ยวนี้แหละอยู่เดี๋ยวนี้ในเวลานี้ละออกไปและมัน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 หลายเรื่องหลายอย่างเป็นอาการของจิตจิตแล้วของเร็วที่สุดเราเข้าใจว่าจิตหลายดวงแต่แท้ที่จิตจิตดวงเดียวนัว่นแหละความที่จะทําสมาธิต้องใช้สมาธิกรรับจะเอาอะ ไ, กไรก็ได้อาพุทโทก็ได้เอานาปาสติก็ได้เอมวานานสติก็ได้ <c oughs>